เป็นมนุษย์สับแต่ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิขหงมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิดประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมจึงชื่อว่า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 สำหรับผู้จะเป็นสาวกอรหันละหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพธธุทธเจา้าเรียนอย่างไรขณะท่านบวชท่านสั่งสอนตัาจาปัญญากรรมฐานเช่นแต่ว่าเอหิปิกูประสัมพทาท่านจะเป็นพิกษุมาเถิดทําเรากล่าวดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินนั่นแหลเป็นการให้โอวาตผู้ที่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 ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสาสองทุกแหน่ทุกมุมโดยลำหนับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมุติที่เป็นเครื่องผูกพันติตใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง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 เป็นนักเทศแต่ธรรมกัตถ์ของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกัตถ์ทั่วทั่วไปพระธรรมกัถ์ก็เช่นอย่าง พ, พระพปุรนมะนาตมนตานีบุตรท่านเป็นธรรมกัตถ์เอกส่นมากท่านยกเอาสันเลขกคาถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขาาถาคือ กล่าวถึงอมคำขาดกล่าวขีเล็ทั้งนั้นนับแต่อปิ ช, ชาตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยงมุติยาทัศนะน่ทานมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอะในทางาธรรมะถึกยกว่าเป็นธรรมะถึกเอกพระปุณณตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากปิตใจของท่านที่รู้แล้วจริง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 ทั้งสิประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมะกัตถุที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นความถูกต้องงดงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมะกัตถุที่มีกิเลสมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทั้งปฎิการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเพีนบางองค์ก็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 พระโบธิรัชจึงมีความสฉลิมใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั้นเนี่ยบธิรัชก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าเปล่าปุ่นยังไงบอกหัวล้นเปล่าเปล่าก็ว่าไปเลยอือย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่ากินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโบทิรัสอันเดียวเั่านั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกย่องเรื่องของพระ โบธิราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สําหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งเถื อ, อประโยชน์อยู่แล้วโดยเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโพธิรัาชมิดโพธิราชเข้ามาโบธเธอจงไปอะไรกับโบธิราชโบธิราชแล้วบาันเปล่าบลาลนเปล่าเลื่อนเปล่าเปล่าแก้ที่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลื่อนเปล่าเปล่าที่เหลืมากพอกคูนิโดยลําดับอะไรท่าน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 มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถ น, า น, านั่น่ันหวังนั้นท่้งแ่าีท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรง น, นั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองนั้นองค์นั้นก็หาอุบายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองนั้นองคไหนพูดแบบเดียวกันเป็นหมดจนกระทั่งท่านถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน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 ท่านก็มอบกายถวายตัวต่อเมนนั้นทันทีแล้วเนนนั้นก็สอนนี่เราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระนี่หาอุบายสอนด้วิธีต่างๆเช่นใ ห, ให้พระมหาเถระไปเอานั่นมาให้เหมืงึงไปเอานี้มาให้บัง่งและให้ครองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็ให้พระมหาเถระคองท่าไปถ้าจะเปียก ที่วอนจริงก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่าหาเอาใบนั่นความจริงเป็นการทดลองทางนั้นพระหมหาเทระองนั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นอะ่ะไม่มีขัดสมกับคำที่ว่ามอรบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดเมื่อกี้ให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นโรคๆนั่ น, ก, น, นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ําจริงๆท่านก็ให้ถอยม า, อาแล้วไม่เอามันลําบากอ่ะน้ําเกาะผ้าบางไรหาอุบายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระพระองค์นี้ไม่มีที่ติมรณะเป็นผู้รุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเนนะ้นสอนเวลาท่านจะสอนก็หาอุบายสอนว่ามีจอมปลวกแห่งหนึ่งเมรูอยู่เจ็ดหกรู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 กำกับรักษาอยู่ความกับความรู้อันนี้พระเถระองค์นั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเณรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลํำดับลํำดับเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนนเป็นอาจารย์พระมหาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนันฝังดเดเนนก็ู ก, กราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมรณะทุกสิ่งทุกประยะทุกอย่า ง, างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมรณะอันไดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่เพิ่งแสดงซึ่งความสนใจเป็นที่ เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความต้นใจที่อยากรู้อยากเห็นในความปินทั้งหลายอยู่ตลอดม า, าพระพุทธเจ้าความทรงสอนปัญญาเวชัยเตปูริที่นี่ปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนามัม่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนมิปัญนาในขณะนั้น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 เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิพิจนาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานออาว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรทึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแบบคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความมรนอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยการบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความประยุคุณโสโครกเหมือนกับป่าชาติพิดิดเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาจหารถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกโสโมมเป็นกองให้จังทุกขงกังตาเป็นป่าชาติพิดิดบ้างเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้นเข้ามาก็คือสกลลกาย เต็มไปด้วยปุโพโลหิกน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเอาเปงนเราด้วยความสนิทใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความปีนของมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกดับทําลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนเวทนากขาพิจารณาแยกแยะให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทั้งทางกายและทางใจ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 ส่วนนีส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิจส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างๆแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายกับใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใชเสียงนี้ด้วยความลุ่มหนงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นงเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานฟังสินักปราชญ์ท่านสอนเราระบับเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคําว่าเรากับคําว่าของเราเหมือนกันเรามหียมนาฏวาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี่ความจริงเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราเนี่ยแรับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เนีเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างตนต่างอั น, อนต่างกินไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปวดเปื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดยลดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วยึดไม่ถือกันความข้องบนกับเรื่องขันเพราะอำนาจของอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแลคือเฮียจริงๆอยู่ที่จิต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 มันไปแยกเยอะให้มันเห็นชัดต่างความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังาตาซึ่งแท้ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขังาตาที่มีอยู่ภายในาจิตก็หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปโดยโประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมมุติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังตาจึงไม่มีภายในจิต ทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั่นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คลิปหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอืเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่านท่านพูดไว้ในตำราท่านไว้จับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์คาโปธิรัตก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระโอาวาทจบลงในขณะนั้น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 วิมุตคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหว น, นั่งอยู่ก็คลางนอนอยู่ก็คลางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งไปหมดทั้งๆ ท, ที่ตนสําคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันวนัน้นนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริงนี้แล้วให้หายบ่น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 เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่าเมื่อผลนิพพานสิ้นเฉดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยโฉนใจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องว่ามื่อผลนิพพานว่าสิ้นเฉดสิ้นสมัยได้อย่างไงก็อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่ า, งาต่าตุ่ของตนเองนอกจากนั้นก็ทำให้คนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผููต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้จริงจอิงเพราะคำทำคำ คำนี้เป็นคำพูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธทางสนางอระฉามิแล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือาศาสนาธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแม่นยาแล้วโดยนานำไปพื้นปฏิบัติ